เนี่ยทุกวันนี้ก็ใช้สูตรนี้แหละคืออะไรเกิดขึ้นก็คือรู้แล้วคือหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยท่านสอนแบบเออเมื่อก่อนหลวงพ่อฟังไม่เข้าใจเนาะแต่พอเข้าใจแล้วปรากฏว่าคําของหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยโอยชัดเจนมากเพราะท่านบอกว่าอย่างเช่นเขาบอกว่าเห็นเห็นแต่ไม่เป็นคือถ้าขยายความก็คือว่าเห็นอะไรก็ไม่เป็นสิ่งนั้นเห็นทุกข์ก็ไม่เป็นทุกข์ เห็นสุขก็ไม่เป็นสุขใช่ไหมเห็นความโล่งก็ไม่เป็นความโล่งเห็นความเห็นอะไรก็คือไม่เป็นไม่เป็นอะไรสักอย่างที่เห็นตามที่เห็นคือได้แต่เห็นทีนี้คำว่าเห็นเนี่ยพวกเราก็อาจจะมันงงอีกเนาะบางคนบอกว่าเห็นอย่างไงเนาะมันเห็นไม่เป็นการเห็นเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยตาเนาะแต่มันเห็นด้วยตาในอ่ะมันเห็นด้วยความมันเกิดเดี๋ยวหลวงพ่อยกตัวอย่างแบบนี้แล้วกันเนาะ ัวกตัวอย่างสักเรื่องเรื่องของการเห็นนะสมมุติว่าเอาเป็นปัจจุบันนะและหลวงพ่อพูดพูดไปเนี่ยเดี๋ยวก็มันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างปรากฏขึ้นในใจหลวงพ่อเคยคุยกับกับกับโยมนี่แหละบางทีคุยก็เพื่อให้เห็นให้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่มันมันเกิดขึ้นนะเช่นหลวงพ่อพูดว่าเอออย่างในกรุงเทพเนาะอย่างในกรุงเทพเนี่ ย, ย, ก, ยก็จะหลวง่อพูดถึงรถรถแท็กซี่นะ รถแท็กซี่ในกรุงเทพเนี่ยมันมีอะไรนะสีเขียวเหลืองก็มีสีชมพูขาวเออก็มีสีเอ่ออะไรเนี่ยเนีมันก็มีหลวงพ่อก็บอกว่าเนี่ยเห็นบ้างไหมที่หลวงพ่อพูดแบบเนี้บางคนก็ฟังแล้วบอกไม่เห็นมีอะไรเลยหลวงพ่อก็ขยายความบอกว่าเอ้าตอนที่หลวงพ่อพูดคําว่าแท็กซี่ชมพูขาวอ่ะ ไม่เห็นบ้างเหรอว่ามันเกิดขึ้นในจิตในใจอ่ะเนี่ยหรือว่าเขียวเหลืองเนี่ยเห็นไหมมันมีรถแท็กซี่มีป้ายคําว่าแท็กซี่อยู่บนหลังคาเนะี่ยไม่เห็นบ้างเหรอบางคนก็โอ้เห็นเลยเห็นแล้วโอ้เมื่อได้ยินได้ฟังอะไรสัญญาที่มันเคยจําได้เนี่ยมันก็าปรากฏขึ้นแล้วก็มีภาพภาพที่เกิดขึ้นในในใจอ่ะนะเออเป็นภาพแท็กซี่เลย บางทีมีหลายภาพที่หลวงพ่อไม่ได้พูดถึงรถเมย์รถอะไรเนี่ยถนนตำรวจจะไล่จอนมันโผล่มาพลึบเลยเห็นโอ้โหวับวับแวมแเออบอกเออนั่นแหละนั่นแหละแบบนั e, anyway. Denver, ้นแหละเขาเรียกว่าเห็นที่มันปรงแต่งที่มันผดขึ้นในจิตในใจมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เลือนหายไปดับไปดับไปดับไปอ่าพอพูดอย่างนี้ก็เริ่มเห็นขึ้นมาว่าอ้อจริงๆโทโท่โธโธของมันมีตั้งแต่เกิดแต่เมื่อก่อนไม่รู้จัก ออหรือบางทีหลวงพ่อพูดแบบรุนแรงกว่านี้ก็คือเนาะบอกว่าเห็นไหมโยมเนี่ยตอนนั้นอะ่ะข้างหลังโยมเห็นไหมร้อมีมีผีผีผู้หญิงเนาะนะผมยาวตาตาลึกจมูกโดง่งแล้วก็ผอมแห้งแรงน้อยผอมมากเลยนั่นแหละผีผี แค่นี้โยงก็ตกใจบอกเออก่อนตกใจเห็นไหมแล้วมันจะมีภาพไงภาพผีขึ้นมาอย่างเงี้ยโยงก็เรียกว่าเห็นด้วยใจรับรู้ด้วยใจเห็นไหมมันเห็นจริงๆนะอันนี้เขาเรียกว่าเห็นอา้าวทีนี้ถ้าหลวงพ่อหลวงพ่อพูดแบบนี้ใครยังสงสัยอยริงไหมเรื่องเห็น <laughs> มันไม่ได้เห็นด้วยตาแต่มันเห็นด้วยใจหรือถ้ายังไม่เข้าใจเอาทุกคนนะหลวงพ่อว่าทุกคนมีแฟนใช่ไหมเวลาคิดถึงแฟนเป็นไงล่ะเห็นหน้าแฟนไหมอ่ะ มันก็เห็นไงมันเห็นทางคือมันมโนคือมันสร้างภาพขึ้นมาเป็นรูปเลยเป็นรูปร่างรูปพันสันฐานมีหน้ามีตาอย่างนั้นใส่เสื้อผ้าอย่างนั้นแล้วก็กำลังไปนั่นไปนี่กำลังไปเที่ยวกับคนนู้นคนนี้เนี่ยมันก็เห็นไงมันเห็นด้วยตาในเห็นถามว่าเห็นอะไรก็คือเห็นเห็นเป็นรูปเป็นภาพเป็นสีเป็นแสงแต่มันก็แวบแวบแวมวแล้วก็หมดไปหมดไป มันนิดเดียวแค่นั้นแหละมันก็หมดไปแต่ถ้ามันเกิดทีทีมันก็เหมือนกับว่าความรู้สึกว่ามันไม่ดับใช่ไหมมันเห็นอยู่ตลอดแต่ความจริงอ่ะมันแวบเดียวแวบเดียวแล้วก็หมดไปหมดไปอ่าพอนึกออกแล้วยังนี่เขาเรียกว่าเห็นแต่ก็มันก็รู้ด้วยใจเออมันเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจแล้วก็รับรู้ได้ด้วยใจ เห็นไหมล่ะไม่ต้องใช้ตาดูไม่ต้องใช้หูฟังไม่ต้องใช้อะไรแต่มันก็ปรากฏขึ้นให้รับรู้ได้แต่ทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นก็เลือนหายไปแล้วก็เกิดใหม่ก็เลือนหายไปสิ่งเหล่านี้ถ้ารู้ไม่ทันก็จะเข้าใจผิดว่ามันเป็นจริงๆแต่ความจริงอะ่ะมันเป็นแค่ภาพลวงตาคือมันปรุงแต่งแล้วก็มันก็หมดไปหมดไป ปุงแต่งแล้วก็หมดไปหมดไปมีแต่ความหมดไปหมดไ ป, ดไปเกิดเร็วดับเร็วเกิดเร็วดับเร็วสิ่งเหล่านี้แหละมันเกิดจริงจริงอมันเกิดในใจเกิดที่ใจหมดกระจายไม่เอ่ยโยมบรรณาเพิ่มเพิ่มเสียงนิดหนึ่งพอดีข้างๆหลวงพ่อมันมีเสียงใครเปิดเพลงไรู้กล่อม <c oughs> ห, หลวงพ่ออ่ะมี ม, ม, มีอะไรบอกหลวงพ่อบ้างหลวงพ่อเป็ทําอะไรก็รู้ เห็นตัวรู้ก็ก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะมีความสุขมากขึ้นยุบทันความคิดทันความโกรธทันทุกอย่างในการกระทําของการใช้ชีวิตเลยจ้าค่ะหลวงพ่อในแต่การพูดหรือการอะไรกระทำมีกระลูกเนี่ยการพูดการอะไรก็ระมัดระวังมากขึ้นจ้ค่ะมีตัคยเตือนคอยบอกตลอดแต่คนแต่คนก็ไธรร ม, ม า, ไ, มาไปบัวชชี พรามแต่ก็เคยรู้ตัวเลยจะถึหลุงพ่อแค่ปฏิบัติแล้วก็แต่ไมเคยดูเลยเตัวเองไม่เคยเป็นยังไงแต่อ็เห็นในตัวนั้นก็รู้ว่าเห็นเขสัตว์แต่ว่าเห็นแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็ทํามาันจะไม่เคยยึดยึดใครหลวงพ่อจะวางแต่เราผู้ทายความคิ ด, ค, ค, ดคือว่าซ้าที่ตัวเนี้อย่างเช่นเมื่อวันก่อนเมื่อวันก่อนยุ่งชัด สเสียงก็ค่อนข้างแก่ฟังฟังไม่ปฏิบัติต่อเนาะเพราะว่ามันสัญญาณมันอาจจะไม่ค่อยดีส่วนหนึ่งแล้วก็ที่อยู่หลวงพ่อมันมีเสียงรบกวนจริงๆเลยมันเข้าหูมันกรบแต่ก็พอจะฟังได้ว่าโอเคโยงก็เหมือนกับรับรู้อะไรแล้วก็ชีวิตมันก็อตามภาษาที่พูดแบบสมมติก็คือมันมันดีขึ้นนะ แต่ทีนี้ยังก็ต้องพัฒนาขึ้นไปอีกนะั่นแหละว่าอันนั้นมันก็เป็นเป็นอารมณ์เนาะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นให้รับรู้ได้ ท, ทีที่เล่าให้หลวงพ่อฟังเนี่ยมันเป็นเป็นอารมณ์เป็นอาการที่เกิดขึ้นให้รับรู้ได้แต่ถ้าโยมจะต่อยอดในทางปัญญาอีกหน่อยหนึ่งก็คือว่าลองสังเกตผู้รู้นะผู้รู้ที่ที่เอาเรื่องราวมามาเล่ามาบอกหลวงพ่อเนี่ย มันยังเป็นเราไหมอ่าเพราะว่าเมื่อกี้เอ่อก็ เ, เรียกว่ายมวรรณาเนาะมีความรู้เรื่องอารมณ์ว่าเออมันมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นอ่ายมวรนนาก็ยังเป็นผู้รู้อยู่แต่ถ้าเห็นว่าผู้รู้ผู้รู้ที่พูดได้ที่เล่าได้เนี่ยอันเนี้ยมันเป็นสังขารเหมือนกันแล้วก็ปล่อยวางผู้รู้ซะเดี๋ยวความเป็นตัวตนก็จะหมดไปในที่สุด แต่ถ้าไม่เห็นผู้รู้ไม่รู้จากผู้รู้ผู้รู้เนี่ยมันก็จะเป็นเป็นอัตตามันจะเป็นความเที่ยงเนาะเป็นความเที่ยงก็คือที่ที่มันเที่ยงก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่เห็นมันแต่ถ้าเห็นว่าผู้รู้จริงๆอ่ะมันก็เกิดดับเหมือนกันเพราะว่าผู้รู้มันไม่ได้รู้ตลอดเวลาหมายถึงว่าผู้รู้ที่เป็นตัวตนนะที่เป็นอัตตามันไม่ได้รู้ตลอดเวลาบางทีมันก็ไม่รู้บางทีมันรู้ เพราะนั้นเมื่อพบผู้รู้ว่าผู้รู้ไม่เที่ยงก็ให้พึงวางเสียไม่ได้ยึดถือผู้รู้อันนั้นก็คือตัวตัวโยมที่เป็นผู้เล่าอ่ะนะไม่ใช่ใครหรอก <c oughs> วางในตัวตัวนี้ด้วยโอเค กกนกาจกได้ช่วยได้บานว่าเใจมากทามเางชูนะความจริงก็ได้ยินไม่ชัดเท่าไหร่หรอกเนาะแต่ว่าเอาพอพอได้อยู่นี่โยมก็อยู่ต่างประเทศ อมีมีใครนะเมื่อกี้เห็นจะพูดเนอะยอมเป็นกุ๊กกี้ลามากสางาครับอ่าว่าไปออช่วงนี้ที่ปฏิบัติอครับพระอาจารย์ผมจะรู้สึกว่ามันมันมีทุกครั้งที่อธิบายิยังไงดีครับเออเหมือนกับว่าเวลาเวลาเราปฏิบัติแล้วมันจะมีมันจะมีอยู่สองตัวครับมันจะมีตัวตัวหนึ่งอยู่ข้างใน ไม่ว่าจะเป็นความคิดไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือบางทีเราคิดในสุขหรือแม้แต่เราคิดอะไรก็แล้วแต่ไงครับไอตัวนี้มันเหมือนเป็นมันจะเป็นเปลือกคุ้มอีกตัวหนึ่งอยู่ครับแล้วพอเรารู้ทันปุ๊บไอตัวที่ถูกคุ้มเนี่ยมันก็จะมันก็จะสลัดตัวเองออกจากไอตัวความคิดเนี่ยครับมันก็จะรู้สึกว่าเออไอสภาวพไอตัวตัวที่มันถูกคุ้มเนี่ยมันมันไม่มีอะไรเลยครับมันไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยมันอธิบายไม่ถูก แต่ว่ามันเป็นสภาวะที่เรารู้สึกว่ามันมันมีอยู่สองตัวครับเออไม่ว่าจะคิดดีคิดไม่ดีไม่คิดหรือว่าบางทีเราเกิดปิติปิติก็ไม่ใช่ตัวที่เราจะเอาเพราะปิติมันก็ไปหุ้มในตัวไอ้ตัวนี้อยู่ครับผมรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้ยไอ้ตัวที่อยู่ข้างในเนี่ยมันเป็นตัวที่เราเป็นตัวที่เราต้องการเป็นไม่ใช่ตอนเอาต้องการสิเป็นตัวที่แท้จริงอ่ะครับผมไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่าโออธิบายได้ประมาณนี้หลวงพ่อโองโอ่งแบบก็เอาเป็น ภาวะปัจจุบันเนาะเมื่อกี้ที่โยมเล่าให้หลวงพ่อฟังอะ่ะเล่าว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่า ง, ง น, น, นั้นอันเนี้ยถ้าสมมติว่าไม่เล่านะมันก็เป็นความคิดนะถ้าไม่เล่าก็คือเป็นความคิดแต่พอเล่าเนียมันเป็นการพูดออกมาเนาะทีเนี้ยถ้าพดถึงว่าขณะที่กำลังพูดเนี่ยไอ้ตัวพูดเนียก็จะเป็นสิ่งถูกรู้ขึ้นมาแต่ตัวรู้เนี่ยมันไม่ได้พูดด้วยอ่ามันได้แต่รู้ว่า มีสิ่งนี้กำลังพูดอยู่แล้วก็การพูดเนี่ยมันก็จะพูดแล้วก็จะหยุดพูดแล้วก็จะหยุดแต่ตัวรู้เนี่ยมันมันเห็นอยู่มันรู้อยู่แต่ตัวรู้เนี่ยมันไม่ได้พูดด้วยเพราะนั้นตรงนี้ก็จะทำให้เกิดปัญญาเข้าใจขึ้นเลยได้ว่าไอ้คำพูดที่มันพูดได้เนี่ยมันก็เป็นสังขารปรุงแต่งเกิดดับเกิดดับแต่รู้เนี่ยที่มันไม่พูดเนี่ยใช่ไหมอันนี้มันไม่ได้เป็นสังขารมันได้แต่รู้อันนี้คือ เทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างไอตัวพูดกับตัวรู้ไอตัวตัวพูดเนี่ยแม้กระทั่งตอนนี้นะหยุดพูดอันนี้หลวงพ่อกำลังพูดที่เป็นแบบพูดออกทางปากนะเพราะว่าทางใจเดี๋ยวค่อยพูดอีกทีหนึ่งตอนเนี้ที่พูดทางปากไม่มีไม่ได้พูดแต่ตัวรู้มันก็รู้อยู่ว่าไม่พูดแล้วก็ตอนเนี้มันก็ยังรู้อยู่นะว่ายังไม่พูดแม้กระทั่งหนึ่งนาทีสองนาทีไปแล้วก็ยังไม่พูดแต่ตัวรู้มันก็รู้อยู่ว่าไม่พูดแล้วก็ แต่ทีเนี้ยเมื่อไม่พูดออกทางปากเนี่ยตอนนี้ทางใจนะทางใจมันก็บนมุบงิบงุมงำมันพูดไม่หยุดเลยแต่ตัวรู้มันก็รู้อีกว่าเออถึงไม่พูดทางปากแต่มันก็พูดทางทางในใจมันพูดในใจไม่หยุดเลยตรงเนี้ก็จะทำให้เห็นเ็าเรียกว่าทำให้เกิดปัญญาว่าไอตัวที่พูดภาคอยู่ในใจเนี่ยมันก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งมันมันพูดไม่หยุดแต่ไอตัวรู้เนี่ย ซึ่งมันไม่ได้พูดด้วยแต่มันก็ได้แต่รู้พอเป็นอย่างเนี้ยมันก็จะทําให้เข้าใจเลยว่าไอตัวพูดตัวภาคในใจเนี่ยมันเป็นสังขารเกิดดับส่วนไอตัวที่ไม่พูดอะไรเลยเนี่ยซึ่งมันมันได้แต่รู้เนี่ยอันเนี้ยมันเป็นวิสังขารคือมันไม่เป็นสังขารทีนี้ถ้าเป็นอย่างเนี้ยมันก็จะแยกได้เลยว่าอ้าวไอธรรมชาตินี่เนาะมันมีธรรมชาติปรุงแต่งกับธรรมชาติไม่ปรุงแต่งแต่ธรรมชาติอันสองอันเนี่ยมันเป็นของคู่กันคือ คือมันมีอยู่นะมีอยู่ก็คือฝวายหนึ่งเป็นควยมีเกิดแล้วก็ดับส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเป็นความไม่ปรากฏแล้วก็ไม่เกิดไม่ดับเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะรู้เรื่องทุกข์กับความพ้นทุกข์ได้เลยว่าไอ้ที่เรียกว่าทุกข์เนี่ยก็คือไอ้ตัวพูดตัวภาคในใจนั่นแหละตัวนี้เป็นสภาวะทุกข์นะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาส่วน ให้รู้เนี่ยซึ่งไม่มีสภาพเป็นทุกข์เลยเพราะว่ามันไม่มีการปรากฏไม่มีการเกิดและก็ไม่มีการดับพอเข้าใจอย่างเงี้ยก็ยจะรู้เลยว่าอ๋อธรรมชาติเนี้ยทุกข์ก็มีไม่ทุกข์ก็มีเพราะนั้นเนี่ยถ้าปฏิบัติให้สู่ความพ้นทุกข์ก็คือก็คือรู้ทุกข์รู้ทุกข์ก็คือรู้ความคิดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏอะความคิดก็รู้อารมณ์ก็รู้แต่รู้เนี่ยไม่เคยเป็นทุกข์ไม่เคยเป็นสุขเลย เพราะนั้นรู้เนี่ยจึงเป็นความหลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นไปจากสังขารก็คือเป็นวิสังขารไปหลวงก็พูดแบบนี้พอเข้าใจไหมเข้าใจครับพอเพราะว่ามันเหมือนกับบางครั้งที่ปฏิบัติมันจะเหมือนกับมันมีภพสองภพที่มันทับซ้อนกันตลอดเวลาครับหรือว่ามันเป็นโลกสองโลกที่มันมันตีคู่ขนานกันไปตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันมันจะซ้อนกันไปอย่างนี้ตลอด ผมอ่าที่วไม่ถูกแล้วแต่เหมือนกับถนนที่มันมันจะขนาดกันไปตลอดเวลาครับแต่มันทับซ้อนกันอยู่นะครับมันผมไม่เมือนทอธิบายก็มันเป็นของคู่กันไงเหมือนกับที่บอกว่าสมมติหลวงพ่อจะพูดถึงเรื่องในใจนะบางทีอาจจะเข้าใจง่ายคือสิ่งที่เกิดดับในใจอ่ะเช่นเนาะเช่นอารมณ์สุขทุกข์เห็นไหมความสุขมันก็เกิดมันเกิดที่ใจใช่ไหม ความทุกข์ก็เกิดที่ใจความงงก็เกิดที่ใจความคิดก็เกิดในใจนะั้นแต่สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับเพราะฉนั้นทุกอย่างมันก็เกิดดับในใจนะแต่เมื่อเกิดดับในใจเนี่ยลองสังเกตดูว่าเออไอไฟเนี่ยเป็นไฟเกิดไฟดับแล้วมันก็ดับในใจแสดงว่าไอความที่ไม่เกิดไม่ดับมันก็มีอยู่สิ่งนั้นที่เรียกว่าใจพอเรียกว่าใจเสร็จแล้วเนี่ยใจเนี่ยมันเป็นความไม่ปรากฏเป็นความไม่เกิดใช่ไหมล่ะ แต่สิ่งใดเกิดมันไม่ใช่ใจพอไม่ใจใจเสร็จแล้วเนี่ยก็ถ้ามีสตินะมันก็จะเห็นอยู่ตลอดเวลาเลยว่าเออในใจนะมันมีการเกิดมีการปรากฏมีความคิดพูดพูดมันพูดอะไรนะก็เรียกว่ามันพูดทั้งวันอะแต่ใจเนี่ยไม่เคยพูดเลยใจได้แต่รู้ใจได้แต่รู้ได้แต่รู้ใจเนี่ยจึงเป็นความไม่เกิดไม่ปรากฏมันกน็รู้แจ้งอยู่นะรู้แจ้งต่อสิ่งที่เกิดดับอยู่ในใจอะ่ะ ยวมลองพิจารณาดูดีๆนะว่าลองลองสมมติว่าตอนนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยความโกรธไม่มีนะสมมติว่าความโกรธไม่มี <c oughs> ก็แสดงว่าในใจเนี่ยใจเนี่ยรู้ได้ว่าไม่มีความโกรธเพราะความโกรธไม่มีให้รู้แต่ใจก็รู้ได้ว่าไม่มีความโกรธสมมติว่ามีความสงสัยนะสมมติว่ามีความสงสัยไม่เคลียในสิ่งที่หลวงพ่อพูดนะสมมุตินะแสดงว่าความสงสัยเนี่ยเกิดแล้วมีอยู่ในใจ แต่ก่อนจะคุยกับหลวงพ่อความสงสัยยังไม่เกิดเนาะตอนเนี้เกิดแล้วแล้วยังมีอยู่สมมติมีอยู่ใจนี่แหละก็จะรู้ถึงความมีอยู่ของความสงสัยแต่ใจมันไม่ได้สงสัยด้วยไงใจเนี่ยได้แต่รู้แล้วก็พออยู่ไปอยู่ไปความสงสัยไม่รู้มันดับไปตอนไหนใจก็รู้ว่าเอ้ความสงสัยไม่มีแล้วตรงเนี้มันจะคู่กันแบบเนี้ก็จะทําให้เห็นว่าใจเนี่ยเป็นความไม่มีอะไรเลย นะตัวใจก็ไม่มีมีแต่สิ่งที่เขาเรียกว่ารู้สิ่งที่เขาเรียกว่าใจแต่ตัวใจจริงๆอ่ะมันไม่มีหรอกที่มีอยู่ก็เป็นแค่ความสงสัยความคิดอะไรต่างๆเนี่ยเออมันคู่ขนานอยู่แบบเนี้หลวงพ่อว่านะบางทีถ้าพูดเรื่องใจและพูดในมุมแบบนี้มันจะทำให้เข้าใจง่ายเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีประสบการณ์หมดแล้วว่าอะไรมันก็เกิดที่ใจแล้วก็ดับที่ใจนะ แต่ที่เหลืออยู่คือไม่เข้าใจเรื่องใจเพราะว่าไม่เคยพิจารณาว่าใจมันคืออะไรกันแน่ใจจริงๆก็คือมันเป็นคล้ายๆเหมือนกับจริงๆอะมันไม่เป็นความไม่มีนะเป็นความไม่ปรากฏอะสิ่งใดปรากฏสิ่งนั้นไม่ใช่ใจเนี่ยวิธีวิธีมองสิ่งใดปรากฏไม่ใช่ใจพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะรู้เลยว่าเอ้าเมื่อใจมันไม่ไม่ปรากฏแสดงว่าใจมันก็เป็นความว่างเปล่าสิ จะเรียกว่าว่างมันก็ได้อะเพราะว่ามันเป็นความไม่ปรากฏแต่ความว่างอันนี้มันก็เป็นแค่สมมุติชื่อเรียกขึ้นมาว่ามันว่างเนาะแต่ความเป็นใจจริงๆอ่ะมันไม่มีมันไม่ปรากฏอ่ะเออพอมันไม่ปรากฏมันก็คือภาษาสมมุติเรียกว่ามันเป็นใจว่างแต่ใจว่างใจมันมีความรู้ใช่ไหมเอออะไรเกิดขึ้นมันก็รู้แต่มันว่างเมื่อมันว่างเสร็จแล้วเนี่ยก็จะพบว่าไอ้ที่ไม่ทุกเนี่ยก็คือใจนั่นเอง ไม่ทุกอะไรเลยไม่สุขอะไรเลยไม่ยินดีอะไรเลยไม่ยินไล่เลยไม่เคลื่อนไหวเลยไม่ไม่กระดุกกระดิกเลยมันก็คือใจนั่นเองส่วนสิ่งที่เกิดดับเกิดดับในใจอ่ะมันไม่ใช่ใจเพราะนั้นรู้อยู่อย่างเนี้รู้อยู่อย่างนี้ยมันก็พ้นทุกพ้นทุกเพราะว่ามีความเข้าใจถูกว่าไอ้สิ่งที่เกิดดับมันก็ไม่ใช่ตัวตนไอ้ใจที่เป็นความว่างเป็นความให้ปรากฏมีแต่ความรู้ก็ไม่ใช่ตัวตนนะทั้งหมดทั้งสิ้นคือไม่มีตัวไม่มีตนของเรา แต่ธรรมชาติอันนั้นเนี่ยมันก็ทํางานกันไปเนาะไอหน้าที่เกิดดับมันก็มีเหตุปัจจัยให้เกิดให้ดับมันก็เป็นอย่างนั้นส่วนใจมันก็มันก็เป็นของมันเช่นนั้นคือไม่เกิดไม่ดับมันก็เป็นนิรันดร์การอยู่อย่างนั้นต้องเอาไว้ชัดตรงนี้นะหลวงพ่อเนี่ยบางทีคุยในจุดเนี่ยมันเป็นจุดที่แบบเป็นละเอียดที่มันอยู่แบบมันอยู่ปลายปลายแล้วอะนะเออมันขั้นเนี้ยถ้าเคยเข้าใจถึงขั้นนี้ได้เนี่ยมันเหมือนกับว่าอ้พ้นทุกข์ในปัจจุบันชาตินี้มันมันมีอยู่แล้ว เออแต่ถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ก็ค่อยๆฟังไปแล้วก็จเห็นอะไรเงี้ยตอนตอนที่หลวงพ่อบอกว่ามันมันมันมันไอผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันมันมันไม่ใช่ไม่มีนะครับเพอาะเพราะเพาะวามันมีมีเนี้ยมันจะไปต่อค้ากับเขามีแต่ตัวเนี้ยที่ผมสัมผัสเนี้ยมันไม่มีตัวต่อค้าของมันนะครับแล้วก็ เวลาผมไปคุยกับไข่เขาเขาจะบอกว่าตัวรู้มันเกิดดับแต่ผมก็เข้าใจนะเพราะผมเข้าใจอว่าตัวรู้มันเกิดดับแต่มันมีอีตัวเนี่ยอีกตัวเงินเงิะที่มันไม่เกิดไม่ดับอ่ะแต่เราไปคุยกับไข่เขาก็บอกว่าอันนั้นไม่ถูกเพราะว่ามันต้องเกิดดับแล้วผมก็เสียดเสียดขวสาบว่าสภาวะที่ผมเจอมันมีตัวที่มันไม่เกิดไม่ดับเพราะไอตัวไอตัวเกิดดับอ่ะ มันก็เป็นกั ว, น, วนึงไม่ใช่ตั ว, ตวนี้ครั บ, รบก็มันแน่นอนนะมันต้องพูดยากอยู่แล้วเพราะว่าที่เราพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งเกิดดับหมดเลยที่เราพูดที่เราแสดงความคิดความเห็นมันเป็นสิ่งเกิดดับแต่ธรรมชาติที่เป็นสัจธรรมแท้เนี่ยมันอยู่เหนือคำพูดอยู่เหนือคาอธิบายนะมันไม่ปรากฏนะไม่ปรากฏแห่งความมีคือมันมีแหละแต่มันไม่ปรากฏ มันก็เลยเขาตั้งสมมติชื่อขึ้นมาว่ามันไม่เกิดไม่ดับแต่ยังไงก็ตามไอ้ที่เรากำลังพูดเนี่ยเนี่ยที่หลวงพ่อกำลังพูดเนี่ยมันเกิดดับไงทีนี้เมื่อมันเกิดดับเราจะอธิบายไอ้สิ่งที่ไม่เกิดดับเนี่ยมันยากแสนยากนอกจากว่าต้องเป็นปัจจตังคือไปสังเกตเราเองว่าความเกิดดับอะ่ะมันเกิดดับอยู่ตรงไหนอะ่ะใช่ไมความเกิดดับมันก็ต้องเกิดดับบนความไม่เกิดไม่ดับไงแค่นี้ ถ้าใครเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยมันไม่ต้องเถียงใครแล้วเพราะมันรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับแล้วอะไรอะ่ะที่มันไม่ดับก็คือสิ่งที่ไม่เกิดนั่นเองนะเมื่อมันไม่เกิดมันก็มันก็จะดับได้ยังไงแต่ทีนี้ไอ้จุดแบ่งเป็นจุดที่มันแบ่งแยกอะ่ะมันมีอยู่สมมติหลวงพ่อกําลังอธิบายอุปมาอุปไมยนะเปรียบเทียบเนี่ยเสียงเนี่ยเสียงเนี่ยตอนเนี้ยมันดังเป็นครั้งเป็นขณะเป็นขณะ เสียงเนี sea, no de ่ยม es no ันดังเป็นครั้งเป็นขณะก็แสดงว่ามันมีการเกิดแล้วก็ดับแล้วอะไรล่ะที่มันเป็นที่รองรับเสียงอ่ะก็คือความไม่เกิดไม่ดับมันก็มีอยู่เออเขาเรียกว่าเสียงเงียบจะเรียกอะไรล่ะเออมันก็มีอยู่ให้ให้ให้ลองสังเกตอย่างเงี้ยเนี่ยพอเสียงดังปั๊บมันก็ดังแล้วก็ดับแล้วไอ้ก่อนที่จะเสียงจะเกิดแล้วมันมีอะไรล่ะมันก็คือมีความไม่มีไงอืมอันเนี้ยเขาเรียกว่า อุปมาเพื่อให้ลองพิจารเรื่องเสียงแต่ถ้าอุปมาเรื่องใจอ่ะยมไปพิจารความความคิดก็ได้อสุวรรณยมนั่งทํากรรมฐานอยู่อย่างเงี้นยนอนนั่งเงียบเงียบเนี่ยเริ่มต้นจากสุวรรเริ่มต้นจากเขาเรียกว่าวเริ่มต้นจากไม่คิดอะไรหลวงพ่อพูดอย่างเงี้ยบางทีมันมันอาจจะคือโอเคแหละคือไม่คิดอะไรตักนิดหนึ่งก็ยังดีคือมันจะเห็นได้ว่าเออมันไม่คิดแต่พอมันคิดปับ๊บก็จะรู้เลยว่าความคิดเกิดแล้ว พอความคิดเกิดปั๊บเนี่ยโยมจะรู้จักเลยว่าไอ้ก่อนที่ความคิดจะเกิดนั่นแหละตรงนั้นแหละเป็นความไม่มีเป็นความไม่ปรากฏของความคิดแต่มันเป็นความไม่ปรากฏอะไรซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเดิมเป็นเดิมแท้ของมันน่ะแล้วพอความคิดเกิดปั๊บความคิดก็ดับตรงนั้นแหละตรงที่เกิดก็แสดงว่ามันมีพื้นมีแบ็กกราวน์นะมีสิ่งรองรับความเกิดไอ้สิ่งที่เป็นแบ็กกราวน์ตรงนั้นน่ะมันจะเป็นภาวะที่ไม่ปรากฏ เป็นความว่างเป็นความว่างก็ได้แต่มันภาษาเนี่ยมันบัญญัติมันมันยากมากแต่ว่าให้เห็นให้เห็นเป็นปัจจตังว่าสิ่งใดเกิดอ่ะสิ่งนั้นมันต้องดับแล้วมันต้องเกิดบนพื้นเบืฐานที่ตั้งเบนฐานบืฐานของของความไม่มีอะไรถ้าเจอตรงนี้มันจะเข้าใจได้ไม่ยากแหละแล้วเคยจะเถียงอะไรมันก็แล้วแต่พูดกันเถอแต่ว่าเป็นปัจจตังไปแล้วคือรู้แล้วเข้าใจแล้วเห็นแล้วว่ามัน สิ่งนั้นเนะ่ยสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับมันมีอยู่อย่างนี้พอโอเคไหมเข้าใจเข้าใจครับพ่พพพอขอบคุณครับมีใครไหมเดี๋ยวใกล้เวลาหลวงพ่อแล้วเนาะโยมเข้ามาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้านานๆมันเป็นสิ่งที่เข้าใจยากแต่โยมหลวงพ่อขอขออธิบายความเป็นมาเรื่องนี้นิดหนึ่งทําไมหลวงพ่อเข้าใจเรื่องนี้ เรื่องของเรื่องเนี่ยมันมีบางคนอาจะเคยได้ยินเนาะหลวงพ่อเนี่ยกำลังพูดคุยสนทนาธรรมกับเพื่อนที่เป็นพระตอนออประมาณหกโมงเย็นคือมันโพลพรแล้วแหละมันจะค่ําหลวงพ่อก็นั่งคุยกันที่ที่กุฏิซึ่งมันอยู่แบบก็เรียกว่ามันอยู่จะเรียกว่ากลางน้ํามันก็ไม่เชิงแต่มันมีกุฏิที่มันต่อระเบียงยื่นยื่นออกมาที่เป็นสระน้ําซึ่งมีขนาดกว้างพอสมควรเนาะ ก็ค no ุยกันคุยเรื nement, ่องนู้นเรื่องนี้แล้วอยู่ๆปั๊บมันมีนกนกนกบินผ่านมาแล้วมันก็ร้องนะมันก็ร้องคือได้ยินเสียงอ่ะมันร้องมันร้องแครกแครกแครกสองะแล้วก็พออีกหน่อยมันก็ร้องอีกแครกแครกอีกไอตรงรอยต่อเนี่ยหลวงพ่อไปเห็นก็คือว่าเวลามันแครกแครกเนี่ยมันได้ยินใช่ไหมแล้วก็ดับไปแล้วก็พอแครกแครกอีกได้ยินแล้วก็ดับไป ไอ้ตรงเนี้ยมันเกิดเขาเรียกว่าเกิดการเฉลียวใจรับรู้ขึ้นมาว่าไอ้ก่อนที่จะมีเสียงแครกแคเนี่ยอันนั้นแหละเป็นธรรมชาติเดิมๆอ่ะซึ่งซึ่งมันมีอยู่นะหลวงพ่อใช้คําว่าเป็นความเงียบก็แล้วกันมันมีอยู่แล้วก็พอมีเสียงดังปับ๊บอ่าไอ้เสียงดังเนี่ยมันก็เกิดขึ้นปรากฏขึ้นในความเงียบอ่ะแล้วมันก็ดับไปหลวงพ่อก็ทําให้เกิดความเข้าใจขึ้นมาว่าอ๋อไอ้ความเงียบอ่ะ มันเป็นธรรมชาติเดิมๆคือยังไม่ปรุงแต่งอะไรนะมันมีอยู่แต่เสียงมันก็มามันมีในภายหลังแล้วมันก็ดับไปหลวงพ่อก็เลยรู้จักธรรมชาติ2สิ่งคือสิ่งที่มีอยู่ก่อนเสียงเกิดนะรู้จักธรรมชาติที่มีอยู่ก่อนเสียงเกิดพอรู้จักธรรมชาติอันนี้เสร็จแล้วมันก็เข้าใจเลยว่าอ้าวธรรมชาตินี้มันก็มี2อประเภทคือประเภทหนึ่งคือประเภทเดิมๆคือยังไม่มีอะไรเกิด แล้วก็ธรรมชาติที่เกิดแล้วก็ดับพอหลวงพ่อเข้าใจตรงนี้มันก็ไปโยงกับเรื่องอื่นได้หมดเลยว่าโอ้ทุกอย่างมันเกิดจากความไม่มีทุกอย่างมันเกิดจากความไม่ปรากฏอ่าก็เลยรู้จักถึงธรรมชาติสองสิ่งเนี่ยทีนี้พอมาถึงจิตใจเนี่ยเอาเราก็มามองมาถึงจิตใจว่าความโกรธก็เหมือนกันก่อนจะโกรธมันก็คือเป็นความให้ปรากฏอะไรใช่ไหมแล้วความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดับไปตรงไหนมันก็ดับตรงความที่ไม่ปรากฏนั่นแหละ เลยตรงนี้ก็ทําให้เห็นว่าโอ้ไอเรื่องใจนี่เนาะไอใจเดิมแท้เนี่ยไอใจดั้งเดิมเนี่ยมันมีอยู่ก่อนแล้วและมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงมันมีแบบเป็นความไม่ปรากฏแต่สิ่งที่เกิดขึ้นค ว, ความโกรธ บ, บ้างความโลภบ้างอะไรบ้างมันก็เกิดเกิดดับๆับอยู่ในอยู่ในใจนั่นแหละพอรู้จักอย่างนี้เสร็จแล้วมันก็เลยเข้าใจง่ายเลยว่าโอ้ของเดิมแท้ธรรมชาติเดิมแท้มันไม่เคยหายไปไหนมันเป็นธรรตะ เป็นอันมตานนิรันดร์อยู่อย่างนั้นนะคือเป็นความไม่ปรากฏแต่สิ่งปรากฏต่างางที่ปรากฏแล้วก็หมดไปปรากฏแล้วก็หมดไปก็เลยรู้จักธรรมชาติ2 ส, สิ่งและก็เข้าใจเรื่องทุกข์กับความพ้นทุกข์ว่าสิ่งใดเกิดนั่นแหละเขาเรียกว่าทุกข์สิ่งใดดับเกิดแล้วดับนะั่นเขาเรียกว่าเป็นทุกข์หมดเลยแต่ความไม่เป็นทุกข์ก็คือความไม่เกิดและความไม่ดับนั่นเองซึ่งมีอยู่แล้วที่ใจ อย่างเงี้ยก็เลยพบใจได้ว่าเออใจนี่แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์คือเป็นความไม่ปกักไม่มีทุกข์ไม่มีสุขไม่มีอะไรเลยมีแต่ความรู้เฉยๆรับรู้รับทราบก็เข้าใจอย่างนี้ก็เลยเออมันก็หมดข้อสงสัยไปเนี่ยตรงนี้มันอธิบายได้ยากแต่ว่าถ้ามีคนชี้นําและยกตัวอย่างประกอบมันน่าจะเห็นภาพได้ง่ายทีนี้ถ้าใครคล้อยตามหมายความว่าพอเห็นภาพอย่างเนี้ก็ลองไปสังเกตสิว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากความไม่มันเกิดจาก สิ่งที่เกิดอ่ะมันต้องเกิดจากความที่สิ่งที่เกิดอ่ะมันมันผุดมันผุดออกมาจากความไม่มีเป็นความเป็นความว่างอ่ะใช้คำว่าความว่างก็ได้นะเป็นภาษาสมมติความเกิดเนี่ยเป็นมันเกิดมาจากความไม่ปรากฏซึ่งมันมีอยู่แล้วตรงนั้นแหละมันเกิดตรงนั้นมันก็ดับตรงนั้นแหละมันมันจะไปดับตรงไหนก็เห็นอย่างนี้เสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยถ้ามา มาเรียนรู้เรื่องใจเนี่ยจะง่ายที่สุดแล้วเพราะว่าทุกอย่างความทุกความสุขอะไรต่างๆมันเกิดที่ใจหมดแล้วก็จะพบเข้าใจได้เลยว่าทุกอย่างที่มันปรากฏขึ้นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ใจหรอกมันเป็นแค่อาการเป็นแค่บางสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเกิดแล้วมันก็ดับไปแต่ใจอะ่ะเป็นความไม่เกิดเป็นความไม่ปรากฏเป็นความพ้นจากทุกทุกอย่างนะพ้นหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอะไร แต่ใจมันมีความรู้มันมีความรู้แจ้งรู้จริงรู้แบบไม่ใช่คิดรู้รู้แบบไม่ใช่อ่านตำราไม่ใช่อะไรทั้งหมดแต่มันเป็นการรู้ด้วยด้วยใจจริงๆซึ่งเป็นธรรมชาติเป็นธาตุรู้เป็นธรรมชาติรู้ก็ได้แต่รู้ได้แต่รู้อา้าวเนี่ยหลวงพ่อยกตัวอย่างแบบนี้นะลองลองไปพิจารณ์เถอะว่าทุกอย่างมันเกิดมาจากความไม่ไม่ปรากฏทั้งนั้นแหละก็ เ, เรียกจะเรียกว่าเกิดมาจากความเงียบก็ได้เป็นภาษาสมมตินะ เกิดมาจากความเงียบเกิดมาจากความว่างเกิดมาจากความไม่มีอะไรแต่พูดไปมันก็เป็นสมมติซึ่งอาจจะมันอาจจะไม่ตรงภาษาที่เขาบัญญัติเป็นภาษาพุทธทวจนะก็ได้แต่นี้หลวงพ่อพูดแบบภาษาแบบพื้นบ้านภาษาพูดในท้องถิ่นที่พอจะชี้บอกให้เห็นตามได้นะทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้มันก็โอ้ยงก็ไปสังเกตเราเองว่าโกรธขึ้นแล้ว โกรธมันมาจากไหนเมันมาจากความไม่มีโกรธนั่นแหละจะงันมาจากไหนแล้วโกรธแล้วมันก็หายไปหายไปสู่หายไปตรงไหนก็หายไปตรงที่ความตรงที่โกรธไม่มีนั่นแหละเออแล้วก็โกรธใหม่เอา้าก็เกิดอีกแล้วแล้วก็ดับอีกมันเกิดที่เดิมมันแหละแล้วก็ดับที่เดิมตรงนั้นตรงนั้นอันเนี้ยทุกอย่างมันรวมลงที่ใจหมด เ, เรียนรู้ที่ใจก็จะเข้าใจได้เอ้าเดี๋ยวพอสมควรเวลานะเดี๋ยวหลวงพ่อก็ขอ ขอตัวพินาอาหารก่อนเนาะมีอะไร ย, ยงก็ติดตามนะติดตามหลวงพ่อปัญญาวุฒโธนะเกิดหลวงพ่อเปิดห้องเมื่อไหร่ก็จะมันอาจจะมีการเตือนไปบอกแล้วก็ติดตามฟังเอาหลวงพ่อก็จะเปิดตามเวลาที่หลวงพ่อสะดวกตอนนี้หลวงพ่อกลับมาอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะไม่ได้อยู่ที่วัดป่าสุขโตนะออกมาก็น่าจะสอง มาวันที่เท่าไรอะมาวันที่5หลวงพ่อไปพิโลกมาก่อนแล้วก็จากพิษโลกก็มานครศรีธรรมราชก็น่าจะ2อสาอาทิตย์และะ้วมั้งประมาณนี้แหละยังไงก็ลองดูแต่ว่าไม่ให้เชื่อนะหลวงพ่อบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อหลวงพอ่อแต่ให้ให้ไปพิาณาสังเกตเอาเพราะว่าการเชื่อเนี่ยมันมันมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นเรื่องที่อะไรก็เรียกว่ามันไม่มันไม่ฉลาดพอนะ ต้องไปศึกษาเรียนรู้และพิจารณาดูที่ว่ามันเป็นอย่างที่หลวงพ่อพูดไหมแล้วก็ค่อยลงใจเชื่อทีหลังนะเออเป็นอย่างนั้นนะท่านนี้ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกคนนะที่ได้มาฟังแล้วก็ขอให้ผู้ที่สนใจในธรรมขอให้คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงอะไรเาเรียกว่าซึ่งเป็นที่พึ่งของเราเนี่ย ได้อะไรนะก็เรียกว่าคือจริงๆเราก็นับถือศาสนาพุทธเนาะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนี้แหละอย่าไปพึ่งสิ่งอื่นนะเพราะสิ่งอื่นมันไม่ได้เป็นที่พึ่งของเราเลยทีนี้ถ้าเราพึ่งพระรัตนตรัยเนี่ยสติสมาธิปัญญาก็จะบังเกิดแก่พวกเราทุกคนแล้วก็สามารถที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมได้ถ้ามีปัญญามากก็จะสามารถรู้ได้ในปัจจุบันขณะตอนนี้เดี๋ยวนี้ก็จะเดริญพร